บันทึกที่2การแปลาบาลีในการละมสูตรคำบาลี10บหัวข้อในพุทธพจน์ที่เรียกกันว่าเป็นหลักความเชื่อในการละมสูตรเป็นตัวอย่างหนึ่งของข้อความที่แปลให้ตรงความหมายอย่างเต็มใจได้ยากเหตุข้อแรกที่ทำให้แปลายากก็คือข้อความแต่ละประโยคนั้นๆเป็นสำนวนภาษาที่ไม่มีตัวกริยาปรากฏ มีแต่คำว่ามาซึ่งทางวยากร์เรียกว่าเป็นนิบาตที่แปลว่าอย่าขอให้ดูสามข้อแรกเป็นตัวอย่างดังนี้มาอนุสเวนะอย่าด้วยการฟังตามกันมามาปรามปรายะอย่าด้วยการถือสืบกันมา มาอิติกิรายอยาด้วยการเล่าลือปัญหาสำหรับผู้แปลก็คือตามสำนวนภาษาบาลีในที่นี้คำกิริยาอะไรถูกละไว้ฐานเข้าใจหรือว่าจะโยกคำกิริยาอะไรใส่หรือเติมเข้ามาถ้าว่าตามที่พูดกันมาแบบให้เข้าใจง่ายๆโดยไม่ต้องตรวจสอบหลักฐาน ก็ว่าอย่าเชื่อเมื่อจะตรวจสอบให้รอบครอบขึ้นตามปกติก็ดูพระไตรปิฎกฉบับแปลภาษาไทยก่อนในสมัยที่หนังสือพุทธธรรมเกิดขึ้นคือพุทธศักราช2514พระไตรปิฎกฉบับแปลภาษาไทยมีอยู่ชุดเดียวคือพระไตรปิฎกภาษาไทยอนุสอนงานฉลอง25พุทธศตวรรษพุทธศักราช2500 ซึ่งแปลพุทธพจน์ตรงนี้ว่าอย่ายึดถือผู้เรียบเรียงอ่านคำแปลนี้แล้วรู้สึกว่าสื่อความหมายน่าจะไม่พอดียังไม่ตรงอย่างเต็มใจก็ดูต่อไปโดยค้นหาคำอธิบายของอัธกถาซึ่งปรากฏว่าท่านเติมคำกริยาให้เป็นมาคันหิตะซึ่งแปลว่าอย่าถือเอาหรืออย่ายึดถือ ความบาลีสิบข้ออย่างในกะลามสูตรหรือเกษาปุตตะสูตรนี้มีในพระสูตรอื่นด้วยคือในสารหาสูตรอังคุตระนิกาติการนิบาศและพัทธิยสูตรอังคุตรนิกายจตุการนิบาศแม้จะดูต่อในอัตถกถาเล่มอื่นด้วยก็ไม่ต่างออกไปคือในอัตถกะถาของพัทธิยสูตรซึ่งก็คือเล่มเดียวกับอัตถกะถาแห่งกะลามสูตรนั่นเองก็อธิบายว่ามาคันหัตะ ซึ่งมีความหมายตรงกันนี่ก็แสดงว่าท่านผู้แปลพระไตรปิฎกภาษาไทยอ น, นุสร์งานฉลอง25พุทธศตรวรรษพุทธศักราชสอง0ส่วนนี้แปลาตามคำอธิบายของอัธกถ า, ภ า, ภาถึงตอนนี้ผู้เรียบเรียงก็ต้องพิจารณาตัดสินใจว่าเมื่อไม่เต็มใจกับคำแปลที่ท่านว่ากันมาแล้วตนเองจะแปลว่าอย่างไร เหตุอย่างหนึ่งซึ่งทำให้หาและคิดคำปลาตรงนี้ด้วยความพยายามมากสักหน่อยนอกจากเพราะหาคำที่สื่อความหมายได้ชัดตรงพอดีทันทีไม่ได้แล้วก็คือเมื่อครั้งเขียนพุทธธรรม36ปีก่อนโน้นคนไทยเพิ่งได้ยินเพราะพูดถึงการละมสูตรกันไม่นานส่วนฝรั่งเจอการละมสสูตรแล้วตื่นเต้นหรือสนใจมากโดยเห็นเป็นเรื่องแปลกว่า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 ผู้เรียบเรียงนึกถึงเรื่องนี้แล้วก็คิดว่าถ้ายังหาคาแปลที่ตรงความหมายยังเต็มใจไม่ได้อย่างน้อยก็ควรเป็นคําแปลที่ช่วยให้คนอ่านไม่เข้าใจผิดหรือเอาไปตีความหรือกแกล้งตีความผิดผิดหรือเลยเถิดไปอย่างที่ว่ามานั้นนี่ก็เป็นภาระด้านหนึ่งร้อมกันนั้นอีกด้านหนึ่งคือเรื่องข้อมูลเดิมหรือหลักฐานที่อ้างยิง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 สำหรับพุทธพจน์หรือข้อมูลในพระไตรปิฎกถ้าส่วนไหนมีข้อมูลคำอธิบายในอั ธ, ธกถาตลอดจนคำไขยขยายความในคำภีทั้งหลายที่ควรรู้ก็นำมาแสดงไว้ด้วยยิ่งพรังพร้อมเท่าไรก็ยิ่งดีเพราะเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาที่ผู้อ่านจะยิ่งเป็นอิสระในการใช้ปัญญาทั้งนี้ก็เป็นไปนตามหลักการสามัญที่มองคำภีพระพุทธศาสนา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 และท่านว่าอย่างไรตามที่เราเข้าใจและเอามาว่าให้กันฟังอีกชั้นหนึ่งครั้งนั้นในที่สุดเมื่อคิดคำแปลที่สื่อความหมายได้ตรงอย่างเต็มใจยังไม่ได้ก็พักไว้ก่อนและตกลงใช้คำแปลของพระไตรปิฎกภาษาไทยอนุสรงานฉลอง25พุทธศตวตรรษพุทธศักราช 2,500 ที่ตั้งอยู่บรรฐานของอัถกถาว่าอย่ายึดถือ โดยทมเชิงอัดบอกความคิดความเห็นความเข้าใจและความต้องการของผู้เรียบเรียงไว้ดังนั้นในพุทธธรรมฉบับเดิมคือฉบับในชุดวันวัยทยากรพุทธศักราช 2,514 หน้า136เมื่อลงคำแปลกาลามสูตรโดยคงไว้ตามพระไตรปิฎกแปลฉบับดังกล่าวนั้นแล้วจึงทมเชิงอัดกำกับไว้ด้วยว่าคำว่ายึดถือในที่นี้ ใช้ไปพลางก่อนเพราะยังหาคำเหมาะสมไม่ได้ขอให้เข้าใจความหมายว่าหมายถึงการไม่ตัดสินหรือลงความเห็นแน่นอนเด็ดขาดลงไปเพียงเพราะเหตุเหล่านี้อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นปีเดียวคือในพุทธศักราช2515เริ่มพิมพ์หนังสือพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรมเมื่อพิมพ์ครั้งแรก เสร็จออกมาในปี2518เรียกชื่อเพียงว่าพจนานุกรมพุทธศาสตร์เมื่อถึงธรรมะหมวดสิบในคำว่ากาละมะสูตรการขานิยธฐานสิบได้ตกลงใช้คำแปลใหม่ที่ตนเองพอใจในขั้นยอมรับได้คือคำว่าอย่าปลงใจเชื่อซึ่งเห็นว่ามีความหมายที่ไม่ละเลยหลักฐานเดิม คือจากบาลีคำว่ามาคันหิตะและสื่อความหมายร่วมสมัยได้ค่อนข้างเต็มใจดังนี้ 1. มาอนุสเวนะอย่าปลงใจเชื่อด้วยการฟังตามกันมา 2. มาปรมปรายะอย่าปลงใจเชื่อด้วยการถือสืบๆกันมา 3. ม, มาอิติกิรายะอย่าปลงใจเชื่อด้วยการเล่าลือ 4. มาปิตกะสัมปทานเนนะอย่าปลงใจเชื่อด้วยการอ้างตำราหรือคำภีร้มาตกะเหตุอย่าปลงใจเชื่อเพราะตักกะ มาในยะเหตุุอย่าปลงใจเชื่อเพราะการอนุมาน 7. มาอาการะปริวิตาเกนะอย่าปลงใจเชื่อด้วยการคิดรองตามแนวเหตุผล8มาทิฏฐินิชานะขันติยาอย่าปลงใจเชื่อเพราะเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้ว เก้ามาพภรุปตายะอย่าปลงใจเชื่อเพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้สิบมาสมโนโนคารติอย่าปลงใจเชื่อเพราะนับถือว่าท่านสมณะนี้เป็นครูของเราในที่นี้มีคำแปลภาษาอังกฤษทั้งสิบข้อนะครับ ท่านผู้สนใจดูได้ที่หน้า641ต่อมาอีกประมาณ22ปีพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งพิมพ์เสร็จออกมาในพุทธศักราช2539ก็ได้ใช้คำแปลาภาษาไทยของความทั้งส0ข้อในการละเมสูตรว่าอย่าปลงใจเชื่ออย่างนี้ทั้งหมดแต่ข้อ5เพราะตักกะ เติมข้อความในวงเล็บว่าการคิดเอาเองรั้นถึงปลายปีพุทธศักราช2521ได้เริ่มเขียนเพิ่มเติมพุทธธรรมซึ่งขยายออกไปกลายเป็นพุทธธรรมจะบับปรับปรุงและขยายความที่พิมพ์เสร็จในปีพุทธศักราช2525แม้จะปรับปรุงและเพิ่มเติมมากแข่งแต่ในตอนว่าด้วยการละมาสูตร ได้ตกลงคงคำแปลไว้ตามฉบับเดิมไม่ได้เปลี่ยนไปตามพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรมตลอดจนพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์ที่พิมพ์ครั้งแรกในปีพุทธศักราช2522ซึ่งใช้คำแปลตามฉบับประมวลธรรมแต่นําคำแปลใหม่ว่าอย่าปลงใจเชื่อนั้นไปใส่เพิ่มไว้ในคําชี้แจงที่เชิงอัด ซึ่งก็ได้ขยายความออกไปอีกด้วยดังนั้นในพุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความคือพุทธศักราช2525จึงลงคำแปลกลาลมสูตรโดยมีเชิงอัดว่าคำว่ายึดถือในที่นี้ขอให้เข้าใจความหมายหมายถึงการไม่ตัดสินหรือลงความเห็นแน่นอนเด็ดขาดลงไปเพียงเพราะเหตุเหล่านี้ ตรงกับคำว่าอย่าปลงใจเชื่ออันหนึ่งไม่พึงแปลความเลยเถิดไปว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนไม่ให้เชื่อสิ่งเหล่านี้และให้เชื่อสิ่งอื่นนอกจากนี้แต่พึงเข้าใจว่าแม้แต่สิ่งเหล่านี้ซึ่งบางอย่างก็เลือกเอามาแล้วว่าเป็นสิ่งที่น่าเชื่อที่สุดท่านก็ยังเตือนไม่ให้ปลงใจเชื่อไม่ให้ด่วนเชื่อ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 พร้อมกันนั้นก็เป็นการบอกกันว่าถ้าจะมีการสร้างสรรและเลือกสรรคำแปลที่ตรงพอดีและเต็มความหมายยิ่งกว่านี้ขึ้นได้ก็พึงต้อนรับด้วยความยินดีนอกจากกรณีเฉพาะนี้แล้วผู้อ่านจะมองเห็นกว้างออกไปด้วยว่าคำแปลพุทธพจน์และคำภีทั้งหลายที่นามาแสดงไว้สำเร็จด้วยหลักการอันใดและเป็นมีขึ้นมาอย่างไร เหตุใดเรื่องราวเล็กน้อยหรือถ้อยคำนิดเดียวบางทีจึงมาเป็นความยุ่งยากและยืดยาวอย่างยิ่ง